ซีดีทำมาบรรยายนทุดฟังทีไรได้สุกทุกที่โดยพระพรุงกุณาภรออ์ออปุตโตวัดยานเวศกตะวันตำบลบางกระทึกอํเภอสามราษจังหวัดนคนรปฐมเรื่องที่9้าหนีทุกอยากมีความสุขกันนักแต่ไม่รู้ดักว่าเจอมเข้าจะเอาอย่างไรบรรยายแก่พระนวตะรุ่นทั้งาพุทธศักราช2539ที่คุยกําลังธรรัดนี่ก็ในหลักการสนคัญสำคัญก็ได้พูดไปคุูมาสุขโค น, นี่เราได้พูดกัมาเรืงานศีลภาวนา กระทั้งมาถึงข้อภาวนานี่ภาวนาหรือการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับธรรมสต์ก็ไม่ตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันกว้างสามารถดวงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาสีและภาวนาก็เอาจิตภาวนาปัญญาภาวนาน้าจิตใจกับด้านปัญญาก็ออกไปสู่สมถวิปัสสนานะเรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สาคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่อความสุขซึ่งมนุษยเรานี่ก็เป็นยอด และความสุขที่มนุษย์ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนีความสุขของเขาได้ขึ้นราสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นแต่วัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลดับะทางชีวิตและความสุขของเ่าไม่สามารถมีไม่สามารถมีความสุขได้ตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เขากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในทาศาสนานี้ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมาน เพราะนั้นเลื่องภาพสุขคุณจะนํามันเน้นกันด้วยทีนี้ขอยงกลับไปถึงตั้งแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาทัานีนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มไปทุกเนี่ยเห็นกันหลังเราไปตัวเอเจนต์กดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรเป็นต้นตรงนี้นี่ยมักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาผู้ที่ภาวนางสิ่งท มันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกตัวคนเลยทีนี้พระเจ้าก็ตัดหน้าที่ต่อทุกไปแล้วว่าทุกขังปณิยังทุกเป็นสิ่งสำหรับกำหรู้ทุกเป็นสิ่งสำหรับปิญญาคือรู้เท่าทานรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สำหรับเราจักนั้นรู้เท่าทานไม่ใช่สหรับเป็นทุกนะนันในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้และปัญญาแล้รู้เข้าใจเท่าทันทุกมันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปท สัมเดชะปฏิบัตินี่เป็นสันเชะของสุขมากสัมเปัญญาูนี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่านั้นเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เทียเิดดัมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดาไเลยนะเนี่มันก็เป็นไปตามสภาว่ของมันมันก็สูนทางกับกระแสความชีพมันของมนุษย์นี้พอพูดถึงในทางของการปฏิบัติคือการนํามาใช้ในการดเนินชีวิตในวุทธศฆนาก็จะมีเรื่องสุขไม่มากหรือเกินพระพุทธเจ้าตัเรื่องสุขไ้มากกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูด เก่ท่านบอกว่าสุขขับปนมาตรฐานสมาธิสมาธิมีสุขเป็นมาตฐานาตฐานน่แปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้มาจเป็นสุขาจิตเป็นทุกข์จิตก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็ดูไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็ผลกวนกังวลทุ่มพล่านนั้นคนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกือบยากต้องสุขพอสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าให้สุขกัรสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งก็เลยเฉยเฉยแล้วก็ขี้เกียจเขาจะนั่งคาวกันได้กันเรื่อง อันนี้ในการปฏิบัติที่จเจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดนึงที่ผมพูมบ่อยเวลาจะเจ้ากัถึงบุคคลกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมนเดินจิตถูกมันจะมีปลาโมดลเรม บ, บนใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจกลับลืนใจแล้วปัสติความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบันคติดับคล่องงทาบรรทุก แลสิ่สงบเป็นสมาธิพอได้สุขเป็นฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแนวแน่ไม่มีอะไรป้วนไม่กลวกระวอยู่ตัวมนอยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นตัวสมาธินี่เป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวเข้ามนแล้วไม่มีอะไร้วนนมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นาจิตนี้ไปใช้งานในตานที่ว่าพิจารณาสิตาให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาระชอแล้วนอกจากนั้นจิตเป็นสมาธิก็มีพลังทั้สงบทั้งมีพลังด้วยก็เอื้อในการที่จิตมันใส ซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเขวงที่ว่ า, าเกยวยไปก็ไปโมเดร์นกับการฝ่ายนึงก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นบุริปปฏิหารเรื่องนั้นก็ไปสวยสุขก็เลยเพลพพเินเกียรติคานไปเลยนะแล้เลยจมอยู่นั้นเป็นสิ่งปล่องไปนะพุทธศาสนาส <c oughs> เลยว่าทั้งเห็นคุณภาพของสุขในเวลาเดียวกันก็ให้ ป, ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้ยเหมือนกันนะต้งระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองนะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะในเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อไอ้คุ โล่งปลงใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่ๆอยู่ตัวไม่มีอะไรกลัวได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทาให้พัฒนา้ามหน้าในการปฏิบัตริระจาเดี๋ยวจะบ่อยทำวันชุนี้นในกระบวการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติทได้ด้วยว่ปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมนเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความหวุนหว้จิตกลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตบุญแสดง ว, ว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องบัตรในตัวรอแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุงม่งาห แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุกมันจะทุกน้อยลงตามระดับมันจะสุกมากขึ้นพระเทจาตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางจเจริญต้าหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางาั้นัไอย่างนั้นเลยใ น, ในระริถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็สแสดงว่าไปไม่ได้เลยในการปฏิบัติไม่สเเาเร็จอ้าวแล้วเรื่องสุขนี่เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีชาวพุทธที่มองข้ามไปในเรื่องทุกข์นะโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ แล้วทุเป็นสิ่งาปัญญารู้หน้าที่ทุบเรามีเรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุบถ้าเราไปเป็นทุบอะไรแสดงว่าพลาดแล้วนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุบทุน้อยลงแล้วก็สุมากขึ้นเยวกัทั้งว่าสุกชนไม่มีทุเลยก็เป็นบรมสุเพราะว่ามันไม่มีทุบอ่นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้าไปหมดทุกแลไม่มีทุบก็แปลว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุกไปทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุบอยู่เลยอยู่เรื่องลงไ เรา้นหสก็เเพงเป็นสุขของกที่คจะมุ่งหมายคจะทให้มีเป็นขึ้นผมจะัเป็นอนุสุข้นห่ไปดูในััได้วยว่าควจะเข้าถึงดูเสมอที่วันหนึ่งสุขจะความมีทรัพย์อันที่สุข2สุขจะการใช้จ่ายทรัพย์ขงสุข3อนันตสุขสุขจัการไม่เป็นหนี้แลสอนัชสุขสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทางกากรรมจิตมโนกรรมที่มาแปลงนสุขกิจัดการนนไม่มีโทษเลยแปลความหมายก็เป็นการทางานที่ไม่ผิดกฎหมายไปดูพรจ้าปีเดอ กจากการกระทําที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีการกรรจกรรมนกรรมที่เป็นสุดจริตวิดีโออธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายมังเป็นประกอบการนชีก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมมากรรมัะทาการงานชอบใช่ไหมก็ใช้เป็นโยประกอบอาชีพการงานสี่คือคว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกะทําการกระทํทางการนี่สมมากรรมมะทำการงานชอบหมายถึงอะไรเว้น่การนัติบรมีันันท้การมีสมิชาาถูกแล้วทํามนีการงานหรือการงานอะไรการกระทําที่ถูกต้องมันเป็นสมุโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าทการงานทุกท่านหมายถึงเป็นประกอบอา เนี Recently, ่ยสุกเกิดากการงานไม่มีโทษนมการากรรมวกมนการที่สุดเขเตียไม่ได้ถ้าจว่ใจใอันนี้เป็นสรหรับกแต่มันยังมีอีกอย่างในบทอพเจ้าตรัสสุกไว้็ปีคู่ยยันเช่นว่าที่สุะสุสุของการริหัสุขปิจิตแล้วก็มีการมสุขสุขทางกาพทะเจ้าก็มปฏิเสธกามาสุกมาสุกการมมีมมีตัการมสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกมีโทษการมสุกนี่เป็นสุกเกิดการมีข้อดีของกลางในทางเดียวกันว่าอาศัยธา ทำให้เกิดโทษมาให่ก็ต้องแก้ไของกันถ้านจนเสพตามีสุขเตามก็ต้องระวังโทษจกมัด้วยจะเป็นรปุ่มบมเมาจะพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั่นมีการมัสนมีในื้อขาวมัสนะก็คู่กัน้าวสุ่งสุขจากการออกกไม่ต้องอาศัยกาแล้วมีอะไรอีกวีอุปทิศสุขของคนมีกิเลสเป็นสุลกยัตแล้วก็ที่อุปทิสุขไม่มีปฏิสุขการรู้จักรู้จักรู้สุขสาสวสดสุขที่ยั่มีอาสวัส็ิอนาสวัสดิสุขที่ไม่มีอาสว แล้วยังมีอะไรอีกอยสุขสุขของระยอนสุขสุขของอนนนันนเะแล้วมีอะไรอีกมีสามมตสุขสุขที่อาศัยอมิตรต้องอาศัยอยู่รอบต้องอาศัยวัตถุเสพแล้วก็อนิรามิสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอมิตรน่ตอมิไม่ต้องมีวัตถุเสพก็สุขได้นมีอะไรอีกมีการที่กสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางกทางใจนะเยอะแยะหมดจะจัดไว้สาตสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาเป็นสุขเนอะอุเบกขาอุ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 บางทีท้าพุดเองไปปฏิบัติก็บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็บางคนไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกเห็นทุกข์อะไรอะไรปมองในแง่ห า, าทําทำให้ตัวทุกข์ก็ได้เห็นทุกข์พราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำท้าตั้งาจจะเทียบกับลัทธินิโครในพระสูตรหนึ่งที่เทวสถานสูตรเคยเล่าให้ฟังแหละในพระไตรปิฎกเล่มสี่ในสูตรแรกเลยพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องลัทธินิครอ๋ตอนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดเล่าให้ เพรานมเป็นออตบตละลวทีนน่เป็นตบะนะแกจะทาทรามานร่างกายอย่างที่เคยเล่านะแกจะโมผมเเขาจะถอนสิรเส้นเลยนะเาถอนสรเส้นเจ็บมนะถอนโมสรเส้นเยนะจนหมัวแหละนะเออแล้วก็มีการทรามาร่างกายด้วยิธีต่ตางๆเยอ ย, ยนะทีนี้เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้ยทุกเพราะฉะนั้นเขาจึงรามาร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขทจริงนในพุทธศาสนาไ ม, ไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ดยทุก ทุขาปฏิทาทันาพัญยาุขาปฏิทาิปาพิาสุขาปฏิทาทันาพิญาสุขาปฏิทาขิปาพาทั้งนความมนุมีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในเชวงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุกง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขก็จะรู้ไวก็มีแต่นี่เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลจะเอาหลักการในหลักการก็คือศาสนาไม่ถือว่าสุขเป็นต้บรรลุได้ทุกสุขก็บรรลุได้ในการทำเหตุแห่งความสุขซึ่งความเหตุปัจจัยที่จะไม่สุขซ มันมีลัทธิอยู่พวกหนึ <h ls 2> so, ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเป็นเพราะกรรมที่ทำมาในชาติก่อนเป็นปบทเพก็ไต่ให้ถว่าพระเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิคนเนี่ยเามีความอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นกับกรรมที่ทำาในชาติฟังก่อนพวกน้คนก็เลยจะต้องทาให้กรรมในชาติฟังก่อนหรือกรรมเก่านี้หมดสิ้นไปเสียไงจะทาให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทำได้ด้วยการบำเพ็ญตบะดังนั้นพวกนิครนซึ่งปัจจุบันเรียกอาารย ถ้าทเาาามื่อเป็นตบะทตามตาให้สิ้นไปแล้วเนี่ยก็ตามตา ม, ตามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกมันคับผ่หมเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงไเเป็นกตามตามันบังคับตัวเราอยู่พอแล้วทให้หมดตามเตาไอ้มเต่ า, าหมดไป ก, ก็ไม่ทาก็ไม่มีอะไรมาบังคนะับเมื่อเราไม่ถูกมันคับนะํามสิ้นไปทุ ก, ก็สิ้นไปด้วยทุกสิ้นไปนาก็สิ้นไปทุ ก, ก็หมดนะทุ ก, ก็ปไปนหมดนี่คือรัตินิคระมองในทัศนคติศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัตินิครนี้เอาทุกประทับผมต่โดยไม่มีผลนะก็ี ตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถม ไ, ไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองกเป็นตบะทรมะร่างกายอ้เนี่ยพระเทวดาก็เลยตรัสหลักหลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาเรื่องเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขแทุกนี่สรุปได้เป็นสี่ข้อ 1. ไม่เอาทุกข์ทับผมตนที่ไม่เปทุกข์นะหน่นะ ห, งนะหึงไม่เอาทุกข์ทับผมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำฉันใช้คำว่าทำตั้งสุขขังนะ่าประลิจจากชัตติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามถึงแม้ในสุ แล้วก็สี่เมารู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิ้นอันนี้จะเห็นเป็นลําดับเลยนะฮะเอาถอยวรอีกทีหนึ่งหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรมสาแม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้นก็ไม่สยบลุ่งหลุ่มโมเมาสี่เมารู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปก็รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิ้นไปเสียสี่ขั้นของนิพพานนเอาทุกทักถมตนที่ไม่มีทุกก็เลยละทุกละทิ้งสุขทีี่่บุก แต่บาที่คนที่ได้สุบทอดทำแล้วก็มักสยบรูปหนูซะอีกใช่ไหมติดแล้วก็ไม่ตายีคั้น่ก็คือว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปนี่ไอคนที่มีสุขสุขทั่วไปเนี่ยยังไม่หมดเหตุแห่งทุกใช่ไมมันยังไม่หมดเหตุแห่งทุกนี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื่อต้องการที่จะเป็นทุกได้เพราะนั้นพศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกก็คือให้มันสิ้นเหตุของทุกไปซะเลยไอนี้ก็จึงต้องถึงพันที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาใจศีขันติแล้วทด้งถึงกบฏ ก็เปนอนันดัสขั้นมีข้อปฏิบัติต่ทุกในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตัสไว้นะเป็นหลักที่สคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมืนนแล้วการปฏิบัติต่ทุกต่อสุขนี่อาจไดพลาดได้หลักใหญ่ที่ว่าในต้นต้นก็คือว่าทุกขังก็ยังยังทุกทาที่ัพทเป็นสิ่งสำหรับญญาลูน้นะอย่าไปเป็นทุกนะเนีแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักี่กข้อเนี่ยเอาไว้ได้ช่วยได้เยอะเลยทีนี้เป็ น, นันว่าพวกนี้คน็เป็นพวกที่เอาทุกมด ท, ท, ทั้งมก็เลยอลท้ง มาสบทก็ลงอีกแหละลงหมดมมมาก็ไปไม่รอดนั้นเชือแห่งทุกเหตหทุกที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขดันั้นจะต้องกล้าไปให้ครบนี่พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ใหถูกต้องซึ่งเป็นท่าทีตอบทุกอย่างถูกต้องซึ่งมันจะเป็นจะต้องไปทาให้ตัวเองทุกข์ไปซ้ำหนึ่งการปฏิบัติที่บอกว่าจะกาจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในขั้นสุดท้ายขั้นสี่ที่สูงสุดเนี่ยก็ คนเราเป็นเอาแบบใจตัวนี้มันไม่นแง่ตันหาใช่หจะสนองตันหาตัวเองนี่อันนี้พอไปฝึกตันหาเขามันกลายไปทุบโดยที่จริงนั้นคนที่ฝึกแล้วเมัทุบใช่แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันมองเห็นเป็นทนุั้ในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุบบ้างการที่ปฏิบัติในระบับนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุบบ้างก็มีได้องค์ติยากรเรียร์ที่บอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนการเราจะดักลูกสอให้ตรงการที่จะดักลูกสอให้ตรงนะคือมาพัฒนาชีวิตกตนให้ดีให้เป็นชีวิตที่ดี ผมก็ไปดจักรไม่เคเนเลยคือเอาลูกศรวางบนขาก็าผมจะเป็นที่สําหรับอั้งวางลูกศรแล้วก็เอาไซลนแล้วก็ดักผมก็เนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุในทุกพระสิทธิก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมาการเห็นสิ่งเหล่นี้ไปสู่หรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเพื่อมาปฏิบัติเร่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกไปก็ทําด้วยเจตนาเพื่อสุดตัวเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากทุกข์มาในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องุุนนตมรองขกาาท แต่เป็นเรื่องของกบการสึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่ามันเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจตัวเองตามสบายใหความเครีนจีนตามอำนาจปัญหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่งถ้าฝึกตัวเองีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรนั้นก็จะต้องมีการสูกันบ้างถ้ามองวามยากลบากหรือทุกข์นี้เป็นเรื่อ ง, องการสุกผตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะอกำจัดทิเด็นทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะตอะบต แค่้ๆประมวนจากที่พูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วจะจ่าย น, นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะ ไ, ไรนะเฉพาะสำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามเขาสงสัยถ้ามมีก็จะผ่านไปก่อน